สารบัญนึทุกคนเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดเป็นโอปปาติกะเสมอไปหรือไม่และมีบ้างหรือไม่ที่บุคคลบางคนเมื่อตายจากคนก็เข้าท้องคนหรือเข้าท้องสัตว์เลยโดยไม่ต้องผ่านการเกิดเป็นโอปปาติกะมา ก, ก่อนและพวกสัตว์ต่างๆเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดเป็นโอปปาติกะหรือไม่หรือเมื่อตายจากสัตว์ประเภทไหนก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นหรือประเภทอื่นทันที อีกอย่างหนึ่งในโลกของโอปป้าติกะมีต้นไม้แม่น้ำภูเขาแผ่นดินและสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างที่บรรยายไว้ในหนังสือโลกทิพนั้นมีจริงหรือไม่ 2. ส, สภาพของโลกโอปปาติกะที่ว่ามีแผ่นดินแม่น้ำภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่คนในโลกของโอปปาติกะมองเห็นหรือสัมผัสได้นั้นได้แก่สภาพของโลกมนุษย์นี่เอง หรือจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนอกจากที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ 3. คนที่ตายโดยอุบัติเหตุและฆ่าตัวตายมีอนาคตอย่างไร 4. ผู้ที่ตายในสงครามจะไปนรกหรือไปสวรรค์ 5. ผีหลอกคืออะไร 6. ย ม, มาบาลมีจริงหรือไม่ 7. ต้นนิ้วในเมืองนรกมีจริงหรือไม่ 8. เมืองนรกอยู่ที่ไหน 9. ควรจะปฏิบัติอย่างไรในเรื่องสารพระภูมิ 10. ภายในวัดจะตั้งสารพระภูมิได้หรือไม่ 11. พระภูมิคืออะไร 12. เทพบุตรแต่ละองค์มีนางฟ้ามากมายจริงหรือไม่ 13. เหตุไราการบริจาคทานจึงเป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวย 14. วิธีติดต่อวิญญาณและหลางสังขอน 15เหตุไรคนที่ไม่ดีจึงมักจะประสบแต่สิ่งที่ไม่ดี 16. วิญญาณในโลกทิพย์เกิดขึ้นได้อย่างไร 17. ในขณะที่คนเราจะสิ้นใจจะมีความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสหรือไม่และเมื่อตายไปแล้วความเจ็บป่วยจะยังมีอยู่หรือไม่ 18. สายใยระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์คืออะไร19ต้นไม้ในโลกทิพย์เกิดขึ้นมาอย่างไร 20. ในสวรรค์ มีพิธีบวชระหรือไม่อายุของพวกสัตว์นรกและเทวดาในสวรรค์เหตุไรจึงนาน 21. จะปฏิบัติอย่างไรกับคนที่เพิ่งตายใหม่ๆ 22. เกิดเป็นทุกข์ตายเป็นสุขจริงหรือ 23. บรรดาคนที่ตายไปคนประเภทไหนที่ติดต่อได้คนประเภทไหนที่ติดต่อไม่ได้